ก็จะเป็นมาสุดท้ายของการจำพรรษาประจำปี2565ให้เราลองย้อนไปนลลึกถึงวันแรกที่เรามาจำพรรษาที่นี่โดยเพาะผู้ที่เป็นพระใหม่พระนวักกะหรือว่าผู้ที่เพิ่งมาจำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาซึ่งเป็นคาราวา ความรู้สึก ข, ของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรมันต่างจากตอนนี้มากน้อยแค่ไหนตอนนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้การมาจําภาษา90วันนี่มันนานเหลือเกินนะแล้วยิ่งมองไปข้างหน้าถึงวันออกพรรษาแล้วคนจะรู้สึกว่ามันยาวนานเหลือเกินนลาจจะรู้สึกต่อไปได้วยว่าเนี่ย เวลามันผ่านไปช้าวันที่สองของการจำพรษาวันที่3ของการจำพรรษาก็จะรู้สึกว่าเวลามันคืบเคลื่อนไปอย่างช้าหลายคนก็นับวันเลยทีเดียวนับวันที่จะออกพรรษาแต่ยิ่งนับวันเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างช้าแต่พอมาถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกเลยนะว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน มันเป็นความรู้สึกเมื่อเรามองย้อนไปข้างหลังเรารู้สึกวเวลาผ่านไปเร็วนะ3ามเดือนแต่ตอนที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ย3ามเดือนนี่ดูมันนานแล้วก็ดูมันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากถ้าหากว่ารู้สึกแบบนี้เนี่ยนะก็ลองเอามาใช้เป็นเครื่องเตือนใจตัวเราเองนะ เวลามองไปข้างหน้านี่มันจะรู้สึกว่าข้างหน้ามันไกลแต่เวลามองย้อนหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าข้างหลังนี่มันอยู่ไม่ไกลเลยไอนนเป็นเพราะว่าเราผ่านมันแล้วแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาในช่วงเก้าในช่วง90สิวันนี่มันเป็นสิ่งที่เราผ่านไปแล้วเราคุ้นเคยแล้วเราก็เลยรู้สึก่มันประเดียวกับดาว แต่เวลาเรามองไปข้างหน้ามันเต็มไม่ได้ความไม่แน่นอนข้างหน้าคือสิ่งที่เรายังไม่รู้จักยังไม่ได้เจอเราก็จะรู้สึกว่ามันดูยาวไกลแล้วหลายคนก็จะจำได้นะว่าตอนที่มาจำภาษาใหม่ๆน ม, ม่ว่าเป็นพระหรือโยมเนี่ย ไว้แรกๆอาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจนะเราจะไหวไม่นอ เ, นเราจะผ่านมันไปได้อย่างไงนะพรรษาที่จะถึงนี้หรือพรรษานี้เพราะสภาการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดวยว่าคนที่บวชพระม า, าทิ้งชีวิตทางโลกแม้จะช่วคราวแล้วก็มีระเบียบมีข้อกำกับความประพฤติ รวมทั้งจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่จะเป็นการตื่นการหลับการนอนหรือว่าการขบฉันแต่ถึงตอนนี้ก็จะพบว่า ม, ม, มันไม่ยากเลยนะที่เราคิดว่าเราไม่ไหวไม่ไหวหรือทำไม่ได้นี่ที่จริงมันไม่ยากเลย เราก็สามารถพาตัวเองผ่านมาได้โดยที่หลายคนก็รู้สึกว่าภาพภูมิใจนะกับการใช้ชื่อของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอันนี้มันก็เป็นจะเรียกว่ากำไรชีวิตก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เกิดความมั่นใจในกา ร, รเผชิญกับสิ่งยากในวันข้างหน้า เราก็ต้องรู้จักนะเก็บเอาสิ่งดีๆที่เราทำได้ดีเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราหรือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราเวลาเจอสิ่งยากลำบากหรือว่าอุปสรรคในวันข้างหน้าแต่ถ้าใครใช้ชีวิตในช่วงพรรษา น, นี้นะ อย่างไม่ดีพอนะตามใจกิเลสอยู่ไปแบบเฉยเนื่อยอันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองภาคภูมิใจได้ซึ่งก็นับวนน่าเสียดายเพราะว่าโอกาสมีแล้วนะควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นผู้เก่าผู้ใหม่เนี่ยว่าเนี่ย สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างนะในตัวเราเราสามารถจะอยู่ได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่าเรายัง อ, อยู่ยากยังติดสุขติดสบายอยู่จริงในชีวิตที่สุขโตเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากลำบากเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเพราะเรื่องการกินการครบฉันแต่สรบหลายคนก็ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยจิงต้องมาใช้ชีวิตอย่างพระจะไปกินตามใจก็ไม่ได้จะออไปเที่ยวซื้ออะไรสนองความอยากก็ไม่ได้เพราะฉั้นถ้าเราสามารถจะ มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายได้นี่ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะแต่ที่จริงการมาบวชและปฏิบัติเนี่ยที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันสามารถให้อะไรเราได้มากกว่า น, นั้นเช่นเรามีสติมีความรู้สึกตัวมากขึ้นไหม เรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นท่ายของความคิดและอารมณ์มากขึ้นหรือเปล่ารู้จักทักท้วงความคิดบ้างไหมหรือว่าไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์เหมือนเดิมาควรจะได้อะไรนะในส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปมากกว่ น, น้อยนะ เห็นตัวเองรู้ทันตัวเองและถ้าเรารู้ทันตัวเองเห็นตัวเองมีสติมีความสึกตัวมากขึ้นเนี่ยการรักตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาและการไปพึ่งพาเป็นท่าของสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งเสพ รวมทั้งสายตาของผู้คนความชื่นชมสารเสรยของคนรอบข้างมันก็จะน้อยลงนะจะยึดติดน้อยลงเพราะเราพบคุณค่าในตัวเองซึ่งเกิดจากการทำความเพียรถาถามตัวเราเองว่าเรามีความสงบใจนะ เพิ่มขึ้นไหมหรือเราได้สัมผัสกับความสงบภายในบ้างไหมและถ้าหากว่าได้สัมผัสเนี่ยก็ลองถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเป็นเพราะวิถีชีวิตหรือเปล่าเช่นอยู่ในวัดแวดล้อมโดยป่าที่สงบแล้วก็ชีวิตก็ไม่ค่อยวุ่นวายมากไม่ว่าจะเพราะเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติ ถ้าสงบแบบนี้มันก็ยังไม่น่าไว้ใจนะเพราะพอพ อ, ออกไปสู่โลกภายนอกกลับไปบ้านนะเจอความไม่สงบเหมือนเดิมนะเจอเสียงนะเจอความวุ่นวายเหมือนเดิมมันก็จะกลับไปเป็นว้าวุ่นนะตามเดิมหรือว่าสงบเพราะว่าไม่ได้มีคนมาขัดอกขัดใจมาก ไม่ได้มีคนมาวุ่นวายมากไอ้แบบนี้มันก็เป็นความสงบที่ยังเปราะบางอยู่นะเพราะว่าพ อ, อไปเจอผู้คนที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราความหูขวางตาเราก็จิตใจก็จะกลับมา ร, รุ่มร้อนเหมือนเดิมแต่ถ้ า, าว่าสงบเพราะว่ามีมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบ แม้จะเป็นเสียงดังหรือผู้คนการกระทําและคำพูดของเขานะแม้จะไม่ถูกใจแต่ว่าเราก็สามารถรักษาใจใสงบได้ไนะอางนี้็ถือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงนะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนนะก็เกิดจากการปฏิบัติมันก็มีนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยนะที่สงบได้นะเวลาอยู่วัด หรือสงบได้เมื่อทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยมันถูก อ, อกถูกใจนะไม่เป็นดินฟ้าอากาศไม่เป็นผู้คนการกระทำคำพูดนี่ก็ดูอ่อนหวานน่ารักเกื้อเฟือเกื้ อ, อ, อกูลแต่พอสิ่งว่าร้อมเปลี่ยนหรือว่าเจอคนที่พูดไม่ดีนะทำตัวไม่น่ารักนะ ไม่เป็นไปดังใจเนี่ยก็เกิดความกลัวเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมานะไม่รู้จักใช้สติในการรักษาใจไอ้แบบนี้ก็ก็ถือว่ายังไม่ได้มีพัฒนาการเท่าไหรนะ่การมาอยู่วัดก็กลายเป็นการแค่มาหลบปัญหานะซึ่งก็คนเราเนี่ยไม่ว่าจะหนีปัญหายังไงเนี่ย นสุก็ต้องเจออยู่วันยังคำ่ำนะมีปัญหาจากโลกภายนอกสุดท้ายก็มาเจอปัญหานะที่วัดอันนี้มันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเพราะจะว่าไปแล้วที่ที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันก็มีที่เดียวนะก็คือสุสานเนี่ยหรือป่าช้าเพราะว่าสุสานหรือป่าช้าเนี่ยมันเงียบสงบสงัด แล้วไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามีแต่คนตายแล้วทั้งนั้นแต่ที่ไหนก็ตามที่มีค น, นมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบใจหรือว่ามาทำให้ขัดอกขัดใจเป็นธรรมดาเดี๋ยวว่าแต่อยู่กันหลายคนเลยนะอยู่คนเดียวเนี่ยก็ยังมีความหงุดหงิดนะลำคาญเมื่อนคนที่ติด ากักตัวอยู่ากักตัวอยู่ในบ้านเพราะโควิดอาจจะเป็นเพราะล็อกดาวน์ทั่วเมืองหรือเพราะว่าต้องกักตัวอยู่ในห้องอยู่คนเดียวแท้ๆนะก็ยังหงุดหงิดก็ยังว้าวุ่นหรือว่าหงอยเหงา ว, ว่างเปล่าเคลืงนควา้างเพราะอะไรเพราะมีคนไงอย่างน้อยก็นหนึ่งคนแล้วแต่ถ้าว่าเรานะารู้จักฝึกสตินะ มีความสึกตัวเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะรักษาใจสงบได้แม้ว่ารอบตัวนี่มันจะไม่เป็นไปดั่งใจไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ก็ตามถามตัวเองว่าเนี่ยเราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นไหมเราได้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจมากขึ้นไหม ม่เหตุกายและใจของใครเนะี่ยกายและใจของตัวเองน้อยน้อยก็ควรจะรู้ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคนเรามักจะสนใจอยากจะรู้ใจคนอื่นรวมทั้งอยายคนอื่นมาทําอะไรให้ถูกใจเราแต่เรากลับไม่สนใจที่จะรู้ใจตัวเองนะและสุดท้ายเราก็ทำหลายสิ่งหละอย่างที่ ขด อ, อขัดใจตัวเองแต่ถ้าเรารู้ใจตัวเองมากขึ้นนะก็ถือว่าเราก็มีความเปลี่ยนแปลงนะที่ดีขึ้นาการมาเรียนรู้นะเรื่องความจริงของกายและใจนี่จะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะามใดที่ยังเป็นปุถุชนข้อภาษาเนี่ยนะมันก็ในแง่หนึ่งนะมันก็หมายถึงช่วงเวลาการฝึกฝน ช่วงหงการศึกษาพอการเข้าภาษายุติเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนมันก็ว่าโรงเรียนเนี่ยปิดเทอมแล้วปิดเทอมก็หมายถึงว่าการศึกษานะีมันได้ยุติลงแต่มันก็เป็นการยุติเฉพาะการศึกษาที่เป็นทางการ น, ะนักเรียนเนี่ยที่เรียนตามโรงเรียนเนี่ย แม้ว่าปิดเทอมแล้วเขายัางต้องเรียนต่อเลยนะบางคนก็ต้องเรียนพิเศษแต่ถึงไม่เรียนพิเศษเนี่ยเพราะว่าเรียนจบหลักสูตรครบหลักสูตรแล้วก็ยังต้องเรียนต่อไปเพราะชีวิตเนี่ยมันคือการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานการศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของตัวเองก็เหมือนกันนะแม้ว่ามันจะปิดฉาก นะอย่างเป็นทางการนะพรุ่งนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่การปิดชั่วคราวนะสารการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นทางการนะหรือในรูปแบบแต่การเรียนรู้การศึกษาเราก็ยังต้องเดิมเนินต่อไป <c oughs> แม้ว่าแม้ว่าจะสกษาลาพยเศษไปหรือแม้ว่าจะ กลับวัดออกจากวัดกลับไปบ้านก็ตามเรื่องที่บอกนะวิชาชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปตลอดตราบใดทีย่ยังมีความทุกข์อยู่วิชาชีวิตนี่ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์หรือว่าสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกข์ไปได้ ในช่วงข้ามภาษาเนี่ยนะก็มีครูบาอาจารย์ช่วยสอนเรานะบางทีก็สอนด้วยคำพูดคือการเทศการบรรยายบางทีก็สอนเราด้วยการปฏิบัติให้เราดูอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นออกภาษาไปแล้วเนี่ยเราคนที่สื่อารปะเภทไปนะให้การสอนแบบนี้มันก็จะ จบสิ้นไปด้วยแต่ว่าสิ่งดิ่งที่เราไม่ควรละทิ้งคือการสอนตัวเองนะครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้สอนเราละแต่ว่าเราต้องรู้จักสอนตัวเองเออชาวพูดเราเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นนักปฏิบัติเลยนะคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องรู้จักสอนตัวเองอย่ารอให้ ครูบาอาจารย์นี่มาสอนเพราะม่เป็นของชั่วคราวถ้าเราสอนตัวเองได้เนี่ยนะโอกาสที่ชีวเราเนี่ยจะเจริญ ง, งอกงามและโอกาสที่เราจะเข้าใจวิชาชีวิตก็จะมีมากขึ้นการสอนตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาศัยการเตือนตนนะเตือนตน บ, บ่อยคนเราเนี่ยก็รู้เรียนมาเยอะเราก็รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิด มีความรู้จักผิดชอบช่วยดีก็ต้องเตือนตนและสิ่งที่จะช่วยให้การเตือนตนเกิดขึ้นได้ก็คือการมีสติแน่นอนนะการได้ยินได้ฟังมากนี้ก็ช่วยเยอะเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมากเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าถ้าไม่มีสตินะมันก็ลืมนะโดยเฉพาะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ย อย่างบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนนะว่าเนี่ยถ้าโกรธเมื่อไหร่ให้กลับมาตามลมหายใจนะหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, วยาวๆนับ1นึถึงสิก็รู้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สอนมาแล้วหรือบางทีก็อาจจากตำราอาจากน้อ่าจากหนังสือแต่พอโกรธนะพอมีอะไรมากระทบเนี่ยมันลืมเลยนะ มันลืมว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรบางทีท่านก็สอน่าเนี่ยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่พอโกรธเข้าเนี่ยลืมเลยนะที่ท่านสอนอันนี้เพราะอะไรเพราะขาดสตินะขาดสติสองชั้นเลยนะคือ 1. ไม่รู้ทันความโกรธ น, นะอันนี้เรียกว่าลืมลืมใจสองลืมคำสอนครูบาอาจารย์ ไอตอนที่โกรธเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราลึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์ได้นะมันก็ช่วยทําให้อ่ากลับมาดูแลใจเช่นอ่าตอนที่โกรธอยู่นึกได้าาว่าครูบาอาจารย์สอนว่าให้กลับมาตามลมหายใจให้กลับมารู้นเนื้อลุ้ตัวหรือว่าบางทีก็ท่านก็สอนว่าให้ให้อยู่กับพุทธโธนะอ่าถ้าเราลึกได้เนี่ยมันก็ สามารถที่จะยับยั้งใจไม่ให้ตกเป็นท่าของความโกรธได้แต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หายหมดนะนการสอนตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะพอถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็จิตมันก็ไหลไปตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความอยากความโลภหรือตัณหาราคะ แต่ว่านอกจากแต่การสอนตัวเองนี่มันจะดีมันจะเป็นผลได้นี่นะมันก็ต้องอาศัยการรู้จักนะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆด้วยนะการสอนตนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้จักนะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวเรียนรู้ไปในทางที่เตือนสติเรียนรู้ในทางที่ ทำให้เข้าใจชีวิตจิตใจได้มากขึ้นมันก็เป็นวิธีการเตือนตนอย่างหนึ่งนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีบางท่านเนี่ยท่านก็เดินเดินทุดงแล้วก็ผ่านป่าแห่งหนึ่งเนะี่ยตอนนั้นเป็นหน้าร้อนเกิดไฟป่าขึ้นมานะเห็นไฟป่าอยู่ไกลๆเนี่ยไฟป่ามันก็แรงมาก มันก็เผาผลาญทำลายต้นไม้ไปมากมายท่านมองนี่ท่านก็ยึกไปถึงกิเลสนะว่าโอ้กิเลสเนี่ยมันก็สามารถจะเผาผลาญจิตใจเรานะไม่ต่างจากไฟป่าเนีนะ่ยที่มันเผาผลาญนะต้นไม้จำนวนมากพอท่านเห็นอย่างนี้เนี่ยนะท่านก็เกิดความเพียรในการที่จะเอาชนะกิเลสนะเพื่อไม่ให้ กเลสมันเผาผานใจดูบางท่านเนี่ยท้อแท้ท้อใจการปฏิบัติก็มาเดินเห็นควายเนี่ยที่มันตกลมนะโอมันก็พยายามที่จะขึ้นจากลมให้ได้มันพยายามแล้วพยายามอีกนะทั้งที่มันเหนื่อยมันก็ไม่ยอมยไม่ยอมหยุดเห็นเช่นนี้เนี่ยก็เกิดนะได้สติขึ้นมาว่าขนาดเดรัชานี่มันยังไม่ยอมแพ้เลย แม้จะมีความเพียรแล้วเราจะพอแท้ได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักใช้ธรรมชาติเนี่ยมาสอนนะแล้วมันมีสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี้ที่ธรรมะจะสอนเราได้มากมายหรือเราสามารถจะเรียนรู้ได้โดยที่บางทีเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะสอนเรา อย่างในส ว, วัตการมก็มีภาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านเดินผ่านบ้านของข้าหบดีคนนึงเนี่ยแล้วก็นางทาสีเนี่ยก็กําลังร้องเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความผิดหวังผิดหวังในความรักความรักมันแปรเปลี่ยนไปแล้วก็โยงไปถึงว่าความไม่เที่ยงของชีวิตชีวิตที่ไม่มีอะไรที่แน่นอน มีรักก็มีเลิกนะีท่านพิจารณาเนี่ยท่านก็เห็นชัดเลยนะอันนีจังแปลว่าเกิดปัญญาเลยนะเกิดปัญญาเข้าใจพระไตรลักษณ์จิตหลุดพ้นเลยนะเป็นผ้าหันเลยนะเป็นพระ้าหัานพอดินเสียงร้องเพลงของนางทาสีนะครูบาอาจารย์สอนแต่ว่าท่านฟังแล้วไม่บรรลุธรรม แต่พอนางทาสีร้องเพลงเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความผิดพังในความรักแต่ท่านฟังแล้วเนี่ยนะ เ, เอามาสอนใจตัวเองบรรลุธรรมเลยเป็นพระรหันต์นะแล้วก็มันก็มีนะเรื่องเล่านะในะประเทศจีนนะว่าพระเนี่ยพระหนุ่มเนี่ยเดินผ่านโงเตียมยตอนนั้นก็กลังคืน ก็กำลังมีการร้องเพลงเกี่ยวพาราสีตอบโต้กันนะภายในโรงเตียมแล้วก็มีตอนหนึ่งเนี่ยที่ผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเธอไม่มีใจให้ฉันก็ขาดกันพระหนุ่มเนี่ยได้ยินพอดีนะท่านบรรลุธรรมเลยนะเพราะว่าท่านไปนึกท่านเห็นเลยนะว่า เมื่อมีความผูกพันยึดติดถือมั่นเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์แต่ถ้าหากว่าละทิ้งหรือตัดความยึดติดถือมั่นได้ทุกข์ก็ดับไปผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ร้องนะในความหมายนั้นเลยนะอาจจะเป็นการตัดเพราะนะว่าถ้าเธอไม่มีใจให้ฉันก็เลิกกันแต่ว่าพระหนุ่มฟังแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กําลังสอนสัจธรรมเลยนะว่า ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่หรือถ้าหากว่าตัดความผูกพันกันเมื่อไหร่นะตัดความผูกพันในสิ่งใดเมื่อไหรนะ่เนี่ยมันก็หมดทุกทันทีเลยบรรลุธรรมเลยนะแล้วก็ถึงกับกราบเลยนะกราบผู้ที่ร้องเพลงเนี่ยที่น่าหลงเตียมเลยเพราะว่ากำลังสอนธรรม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่นะรู้จักเรียนรู้จากทุกสิ่งนะที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าผ่านเข้ามาทางตาทางหูหรือผ่านเข้ามาในชีวิตก็สามารถที่จะหยิบมาเพื่อเตือนตนหรือเพื่อทำให้เกิดปัญญาเข้าใจนะในความจริงของชีวิตหรือเกิดความเพียรในการปฏิบัติใ น, นเราเนี่ยต้องรู้จักนะ รู้จักเปิดโอกาสให้สิ่งต่างๆเนี่ยสอนเราหรือรู้จักเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมและเพื่อการปฏิบัติของเราได้เจริญงอกงามถึงพร้อมด้วยจริยธรรมคือความดีหรือว่าแจ่มแจ้งในสัจธรรมคือความจริงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะยังไม่มีวันสิ้นสุดนะจนกว่า จะพ้นทุกข์หรือจนกว่าจะเข้าใจแ จ, จ่มแจ้งในความจริงของชีวิตนะจนเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งมวลเอาอย่างนี้พูดเท่านี้นะอากราบพระ